ช่วงสุดท้ายของการเก็บสติผู้นี้ก็เก็บอารมณ์นะวันที่สองวันนะเก็บอารมณ์เข้มนั้นวันนี้เราก็ลองอศึกษาดูคือพยายามอยู่ห่างกันมากขึ้นให้รู้สึกว่าเราเป็นอยู่คนเดียวนะฮะการเก็บอารมณ์เพื่ออย่าเฝ้าดนะูเมื่อตอนช่วงเย็นนะ สอวบอลรมนักปฏิบัติท่านหนึ่งที่ว่าเราเคยได้ยินพุทธภา ษ, ษ, ษ, ษิตที่ว่าในชีวิตของเราไม่มีอะไรมากนอกจากทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับทังนั้นถ้าเราจะดูการเกิดดับเราควรจะดูที่ไหน อันนี้อาจจะเป็นตะกะหน่อยหนะ่อยะว่าว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปเมื่อเราจะเจอการดูการเกิดดับเราควรจะดูที่ตรงไหนเราจะตอบว่ายังไงดีว่าเลยจะดูการเกิดดับของกายหรือเกิดดับของเวทนาเกิดดับของจิตและเกิดดับของอารมณ์เนี่ยควรจะดูจุดไหนดูทั้ง จุดเดียวมันถูกทั้งหมดทั้งสี่จุดเลยเนะี่ยคนจะดูจุดไหนถ้าเขามาหลายวันแล้วนะน่าจะจำได้เนาะดูที่ไหนดูที่ดูที่ไหนใครบอกว่าดูที่ความทุกข์ยกมือขึ้นต้อ <c> ง <oughs> ดูที่ความทุกข์เพราะทุกข์เป็นจุดรวมของการ กายเวทนาจิตธรรมมันผลออกมาเป็นทุกทุกท่านเกิดขึ้นไงทุกท่านตั้งอยู่และทุกท่านดับไปเมื่อเราจะดูการเกิดดับก็ดูที่ทุกเพราะมันเกิดมันดับออกมาเป็นทุกไงให้ดูที่ทุกมันก็เห็นทั้งการเกิดและการดับเมื่อจะดูกายเวทนาจิตธรรมก็ดูที่ทุกดูที่ก็ดูที่ทุกเพราะการทุกมันเป็นทุกการเกิดดับของ กายของเวทนาของจิตของธรรมเพราะนั้นแหลยลัขิ์ทั้งจริงดูทุกต้องอะไร ก, ก็กำหนดดูเพราะกำหนดรู้ที่ทุกมันเห็นในการเกิดและการดาับอ่าเข้าใจทันไหม น, นั่นเราจจงอาการเกิดดับเป็นอารมณ์นะเมื่อเจออาการเกิดดับเป็นเรจะไปตามรู้การเกิดดับทั้งที่เป็นการเคลื่อนไหวส่วนย่อยส่วนหยากที่มาได้กล่าวมาวันก่อนมันก็ยังมากไป อการเกิดดับทางกายก็มีทั้งหลายระดับการเกิดดับเวทนาทางจิตทางอารมมทั้งสามระดับแล้วจะไปดูระดับไหนแล้วจะทันอย่างไรเพราะมันไวเกินกว่าที่เราจะไปดูมันทันเพราะฉะนั้นการปรกากฏดท่องการเกิดดับทั้งหลายๆระดับแล้วทั้งสี่หมวดกายเวทานาจิตธรรมเนี่ยรวมแล้วการเกิดดับทั้งหมดปรากฏอยู่ณจุดใดว่าอยู่ที่ทุกใช่ไหมถ้าดูที่ทุกที่ทุก ม, มีกี่อย่าง อันนี้สอบอารมณ์แล้วนะยังไม่ผ่านดีก็หมายความพรุ่งนี้จะเข้าหมดต่อไปยากทุกวิกี่อย่างหลายอย่างมีอะไรอย่งทุกจะมีแค่สองอย่างทุกกายกับใจนั่นแหละมีกี่หมื่นกี่แสนอย่างมันก็มีแค่สองอย่างทุกว่าทุกเกิดอย่างอะไรทางกายมีกี่ร้อกี่พันอย่างของทุกกายก็เหลือว่าทุกกายถ้าดูทุทกเหมือ น, นั้นเราต้องดูที่ที่ทุก แต่ถามว่าดูทุกที่กายหลืดูทุกที่ใจทุกดูทุกของกายและดูทุกของใจถ้าดูทุกของกายเป็นอะไร <c oughs> เป็นสมรรคถ้าดูทุกของใจเป็นมีปรสนา ถ้าดูทุกข์ของกายเป็นการเกิดดับของกายดูทุกข์ของจิตก็การเกิดดับของจิตถ้าดูทุกข์ของกายดูเกิดดับของกายก็เป็นสมถะดูการเกิดดับของจิตดูการเกิดดับของใจก็เป็นวิปัสสนาทีนี่การเกิดดับของกายสแสดงผลออก ทางกายกี่อย่างการเกิดดับของกายแสดงผลออกทางกายเป็นกี่อย่างการเกิดดับของกายมันมแสดงผลออกกี่อย่างส า, สามอย่างคือความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายและความรู้สึกที่อย่างไม่ชัด ว่าสบายหรือไม่สบายหรือว่าเฉยๆนะและถ้าเราจะรู้ความรู้สึกของจิตมันแสดงอาการออกกี่อย่างมันก็สามมุ่นกันนั่นแหล <c oughs> ะก็คือความพอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่แน่ใจความไม่แน่ใจนี่ก็เป็นสามอย่างนะดูมีมีแสดงอาการสาทั้งสามอย่างเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตา และความสบายไม่สบายและความเฉยเฉยก็แสงมาผลว่าทั้งหมดออกมาจากทุกขความสบายเกิดจากทุกมันน้อยลงความไม่สบายเกิดทุกมันมากขึ้นแต่ความเฉยเฉยยังไม่แน่ว่าทุกมากหรือทุกน้อยแต่ก็ทุกนั่นเองงใช่ไ่าความชอบใจก็เกิดจากความความพอใจก็เกิดความมาจากความไม่พอใจความไม่พอใจเกิดจากความพอใจและความ ไม่แน่ใจหรือความเฉยๆก็เกิดมาจากความพอใจไม่พอใจยังไม่ชัดว่าเป็นอันไหนแต่มันก็เป็นทั้งสองอย่างนะอันนี้คือวิธีการดูย่อๆออกมาอย่างนี้เราก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเวลาเพราะทุกปรากฏตลอดเวลาทางกายปรากฏตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ตามดูทุกของกายในฐานะว่าเป็นถ้าจะดูเป็นเป็น การภาวนาเราจะดูให้ทุกเป็นลักษณะไหนให้ดูทุกออกมาเป็นเราหรือทุกออกมาเป็นเขาทุกออกมาเป็นฉันทุกออกมาเป็นเธอฉันทุกฉันสุขสันสบายไม่สบายอย่างนี้ดูอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องตามหลักภาวนาไหมว่าเออดูดูทุกของฉันฉันเป็นทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นเราดูทุกเป็นเราดูเราเป็นทุก ก็ไม่เป็นวิปัสนาแต่ถ้าจะดูเป็นวิปัสนาต้องดูทุกในลักษณะไหนทุกเป็นอาการชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กายและไม่ใช่ใจแต่อายสายกายอาศัยใจเกิดทุกก็ไม่ใช่กายทุกก็ไม่ใช่ใจทุกก็ไม่ใช่เราแต่ทุกเกิดเพราะอะไรทุกเกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุทุกทาง ทุกทางกายนี่มาจากทางไหนบ้างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เรียกว่าทุกทางกายแล้วก็ทุกทางใจมาจากไหนบ้างทุกทางจิตใจมาจากอะไรบ้างมาจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสและจากอารมณ์นะ เมื่อมันกระทบกันแล้วเราไม่รู้เท่าทันก็ออกมาเป็นอารมณ์ในนั้นเองเราก็ตามดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เวลาดูย่ อ, อเข้ามาสั้นๆเข้ามาดูที่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปในนั้นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปก็เป็นการเกิดดับนั่นเองนะอันนี้ง่ายๆเอาละวันนี้ตอนเช้าเราให้การบ้านว่าไง ท, ทีนี้ทบทวนกันบ้านการบ้านว่าไงตอนเช้าให้ไปดูอะไรวันนี้ฮะให้ดูหลบกลางกลางลืมไปเลยแม้แต่การบ้านก็ยังลืมยาวคําโตได้ที่ไหนนั่นแหละดูนิโรธกับมมักแต่ดูตรงไหนกังจริงบอกว่าให้ไปดูวิธีเพิ่มความรู้สึกดูว่าคือวิธีที่จะทาความรู้สึกให้มันเพิ่มขึ้นน่ะทำอย่างไรให้ไปดูตัว น, นั้น ไม่ใช่ให้ไปดูภาวนาประทานนะให้ไปดูภาวนาประทานว่าการที่จะทำให้ความรู้สึกตัวสติสัมยาเน่ให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำวิธีใดบ้างนะถ้าความรู้สึกตัวมันเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆคือมันต่อเนื่องนั่นเองการที่เราสามารถรักษาความต่อเนื่องได้ความรู้สึกตัวรู้สติสัมยาก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ แต่ถ้าเมื่อใดมันขาดความต่อเนื่องปับ๊บความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็มันก็จะลดลงตามลําดับพอความรู้สึกตัวมันลดลงปับ๊บมันจะกลายเป็นเผลอและเ ป, เป็นเพลินถ้าความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องความเผลอและความเพลินก็หายไปนั้นจึงนี่วิธีการรักษาความรู้สึกให้ต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่ามัดนะเรียกว่ามัด และจิตของเราที่มันไม่ปรุงไม่แต่งเมื่อความรู้สึกต่อเนื่องชัดเจนต่อเนื่องจิตของเราไม่เกิดการปรุงแต่งเป็นวิสังขารตรงนั้นเรียกว่าผลตรงที่มันไม่ปรุงเราก็ไม่เราก็รู้ด้วยนะว่าเออจิตของเรารู้สึกตัวอยู่ขณะรู้สึกตัวจิตไม่ปรุงแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวอยู่เราก็ไม่ได้ดูอาการของจิตว่าปรุงหรือไม่ปรุงเนี่ยลักษณะนี้ไม่เป็นผล เราเป็นยางเป็นโมหะอยู่เพราะเราไม่รู้มอดไปดูตัวอาการแต่ไม่ได้ดูของผลของอาการคืออะไรนะมาไปดูตรงนั้นดังนั้นในลักษณะอย่างนี้เราจึงซักซ้อมให้เกิดความชี้ชำนาญเพราะว่ามันเป็นมักมักทำให้เจริญทำให้มากเข้าไว้ทำบ่อยๆเข้าไว้เรียกว่ามัก แล้วก็เมื่อมรักมันถูกทำให้ต่อเนื่องทำ บ, บ่อยๆทำให้เจริญเนี่ยความต่อเนื่องก็ปรากฏเมื่อความต่อเนื่องปรากฏผลั้งความไม่จิตของเรามันว่างจากการปรุงแต่งมันก็ปรากฏเราก็เห็นชัดๆว่าเออขณะนี้จิตฉันไม่มีสิ่งใดเข้ามาปรุงแต่งจิตว่างจิตสงบจิตรู้เฉยๆจิตไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแล้วก็เห็นลักษณะจิตอย่างนั้น ให้ทำให้ชัดทำให้แจ้งอย่าไปสงสัยว่าขณะ น, นี้จิตคิดไม่คิดอะไรนะเป็นอย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าถ้ายัางสงสัยนี่ก็ยังว่าการดับก็ยังไม่ปรากฏเพราะมันมีข้อสงสัยอยู่แต่ได้เห็นจิตว่างๆโล่งๆจิตส ง, งบโดยไม่มีอะไรปรุงแต่งมีแต่รู้อาการรู้ชัดโดยไม่สงสัยในะอาการรู้นั้นว่าเออแบบนี้มันจะเป็นสมาธิหรือเปล่า แบบนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะไหมว่าที่เรียกว่าเป็นปัญญาไหมเรียกว่าอนุญาตไหมถ้าจะไปคิดอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ว่างเป็นไม่เป็นไม่เป็ น, ปนผลทันทีมันจะกลายเป็นตัววิตกวิจารณ์ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเห็นอาการของจิตแล้วไม่สงสัยว่าจิตว่างเป็นอย่างนี้อาการจิตมันรู้เป็นอย่างนี้ อาการจิตมันสว่างใสเป็นแบบนี้เอาตัวรู้เป็นแบบนี้แล้วตัดสินใจลงไปแล้วพอเข้าปร ะ, ประองจิตอย่างนั้นให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆนั้นเรียกว่าทำนิโรธให้แจ้งคือทําการที่จิตมันดับจากการปรุงแต่งเนี่ยให้ชัดๆนะทำฉนัยการทําที่สุดแห่งกองทุกนี้จะถึงปรากฏชัดเนะี่ยตัวนั้นเป็นผลเรียกว่าเป็นปัญญานะผลนิโรธนี่เป็นปัญญาตัวมรรคก็ยังเป็นตัว ศีลตัยสมาธิอยู่นะดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะดูง่ายขึ้นดูที่อาการของทุกเกิดขึ้นอาการของทุกตั้งอยู่อาการทุกดับไปแต่ดูในฐานะมันเป็นเพียงอาการไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเป็นเขาเป็นของเขาเป็นกูเป็นมึงเป็นฉันเป็นเธอแต่มันเป็นเพียงอาการหนึ่งที่อาศัยรูปกับนามเป็นที่เกิด ถ้าไม่มีรูปกับนามอาการของที่เรียกว่าทุกข์ก็ไม่เกิดทุกข์ไปว่าอะไรนะเช้านทุกข์แปว่าอะไรนะทุกข์ไปว่าฮะทุกข์ไปว่าทนไม่ได้แค่นั้นเองทุกข์แปว่าเพราะนั้นถ้าจะให้ไม่ถ้าไม่ทุกข์คือพออะไรนะพอทนได้นั่นคือไม่ทุกข์คือพอทนได้ไม่ทุกข์ไม่ได้หมายถึงสุข แต่ไม่ทุกหมายถึงพอทนได้ง่วงก็พอทนได้เบื่อก็พอทนได้เหงาก็พอทนได้อปวดก็พอทนได้ถ้าพอทนได้อยู่ไม่เรียกว่าทุกไม่เรียกว่าทุกนั่นเขาเรียกว่าชิมาปฏิปทานะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็จะทําอะไรที่ไหนก็สบายละเพราะเห็นชัดแจง้งเราจะไม่ลังเลไม่สงสัย ว่าเมื่อไปฟังในวิธีการอื่นสำนักอื่นเราก็ไม่ต้องเอามาเทียบว่าของเราดีกว่าหรือของเขาดีกว่าของเราใช่หรือของเขาไม่ใช่ของเขาใช่ของเราไม่ใช่ไม่ต้องมาเปรียบกันมันคือมันเป็นอย่างนี้ของมันให้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันชัดให้มันสว่างขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ไมแน่ใจคือความลังเลใจก็คื อ, อเราไปเอคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูก พอไปฟังวิธีการอื่นมาป้าก็เริ่มลังเลว่าเอ๊ะอันนี้ถูกกว่าหรือเปล่ารู้สึกมันเข้าท่าถูกใจเอ๊ะของเราชักไม่เข้าท่าไม่ถูกใจมันมันเกิดการเปรียบเทียบชักลังเลล่ะในที่สุดก็จะไม่ค่อยตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเจยชักลังเลนี่คือความล่าช้าอ่าคือความล่าช้าของการปฏิบัติเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในว่าเออเนี่ยเวลารู้สึกตัวนะเราเห็นอาการของจิตเป็นยังไงสำรวจลงไปตรงๆเลยเออจิตที่มันรู้สึกตัวแล้วจิตมันมีคิดความคิดไหมตอบย้าทบทวนดูจริงๆว่าขณะจิตเนี่ยที่มันรู้สึกตัวท่ทพร้อมจริงๆมันคิดได้ไหมรอบหนึ่งก็ยังไม่ชัดดูรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่ทวนไปทวนมาทวนไปอยู่จนกระทั่งเห็นจิต ว่าอ๋จิตไม่ปรุงไปอย่างเนี้ยแต่มันเผอปรุงมาปั๊บเราก็มาทวนว่าเออที่ผเผอปรุงไปเนี่ยความรู้สึกเราชัดหรือไม่ชัดเหมือนกับเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยเราไม่สงสัยว่าแสงสว่างมันปรากฏแล้วความมืดหายไปไหนไม่สงสัยเราก็ไม่ถามใครด้วยว่าความมืดมันไปไหนและก็ไม่ได้ถามใครด้วยสว่างหรือไม่สว่าง เพราะเพียงแต่ว่าระหว่างการเกิดขึ้นของความมืดมันมีอาการท่านเปรียบเหมือนอริยสัตว์นะการเห็นอริยสัตว์เกิดขึ้นพร้อมกันในสี่ขณะ 1. หนึ่งแสงสว่างปรากฏสองความมืดหายไปสจักขุวิญญาณคือตาเห็นสี่ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเก้าอี้ตั้งอยู่ตรงไห น, นคนนั่งคนนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรเสาอยู่ตรงไห น, นแล้วเวลาจะถักรู้ทุกอย่างอยู่ในตาแหน่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันฉันใดก็ดีเมื่อเรารู้ทุกสมุทัยนิโรดมักก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้มักนิโรธสมุทัยก็รู้จักทุก โยชุทยก็รู้จักปรากฏขึ้นดังนั้นเองการตรัสรู้ที่ว่าพระพุทธเจา้าประสูติตรัสรู้ปริธานในวันเดียวกันมันเป็นปิศนาธรรมแต่ท่านหมายถึงว่าเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งความปัญญาแสงสว่างของปัญญาปรากฏสองความมืดเขืออวิชาหายไป สามยานรู้อะไรเป็นอะไรก็เหมือนดวงตาเห็นว่ารู้อะไรเป็นอะไรก็ปรากฏทั้งยานทั้งปัญญาอาวิชชาอาวิชชาดับปัญญาเกิดแสงสว่างเกิดวิชาเกิดยานเกิดเนี่ยพร้อมกันหมดเลยท่านจึงรู้ว่าเปิดของที่ปิดที่เปิดตาจากักขู่ท่าปฏิจักขู่เกิดแล้วลักษณะอย่างเมื่อจักขูหรือตาเปิดปั๊บ ลักษณะอาการ4ี่ปรากฏคือ1นึตาได้เห็นสองความมือหายไปสารู้ตําแหน่งต่างๆ4ความสงสัยต่างๆที่เห็นหายไปความสงสัยหายไปดังนั้นเองเราเมื่อเราตรวจสอบอย่างนี้ทุกครั้งทุกคราวทุกคราวจนหายสงสัยแต่เรายังไม่ได้พูดถึงว่ามันถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุด เพราะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่เราพูดพูดถึงเรื่องดวงตาเห็นธรรมหรือดวงตาปรากฏมันเป็นอย่างนี้ในหนึ่งขั้นในทั้งสี่ขั้นหนึ่งหนึ่งขั้นเท่านั้นเองที่ตาเห็นเมื่อตาเห็นเราจะไปสู่เป้าหมายหรือไม่เราจะไปหยิบของสิ่งนั้นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แน่ๆว่าตอนเนี้ยฉันจะไปอย่างไรห่างจากฉันเท่าไหร่เนี่ยรู้ละแต่ฉันยังไม่ได้ลุกไปเท่านั้นเองอ่า นี่เรียกว่าขั้นที่หนึ่งความรู้ขั้นที่หนึ่งความรู้ทางที่สองเริ่มเดินลุกจากที่เดินไปที่เป้าหมายได้ยี่สิบห้าเอร์เซนตเดินเข้าไปถึงกึ่งกลางทางห้าสิบเปอร์เซนตเดินเข้าไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเดินไปถึงเป้าหมายนั้นร้อยเเซนั่นเพราะนั้นการได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นเพียงแต่ว่ารู้ทางไปเท่านั้นเองแล้วก็ไปไม่หลงด้วย พอเห็นเป้าหมายเรียกว่าได้ดวงตาเห็้ทำนะไปได้แค่ยีเซ็เดินทางยีห้าเรา์เซ็นต์เรียกว่าพระโสดาบันเดินไปกึ่งทางเรียกว่าพระสิกขาคามีเดินไปค่้นทางเรียกว่าอนาคามีเดินไปถึงเป้าหมายเรียกว่าพระอรหันต์การได้ดวงตาให้รมอยู่กับที่อยู่เี่เป็นพระโสดาบันท่านเรียกว่าเกิดธรรมจักสุภนะูติเจ้าทั้งทบทวนในธรรมจักว่าจากขงอุทัปปะที่ญาณอุทัปรรปะทปัญญาอุทัปปะทวิชาวอุทัปปะทอโลกุอุทัปปิ ว่าสิ่งนี้ไม่เคยปรากฏแก่ท่านมาก่อนอนาณาอนุสูเตสุธรรมสูตรจขุงุทธปฏิอ น, นุสูเตสุไม่เคยได้ยินไม่เคยได้เห็นในมาก่อนเลยลักษณะอย่างเนี้ยแต่ท่านปรากฏได้ยินได้เห็นขึ้นมาท่านคือจึงอมาประกาศแล้วก็นําเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังคนอื่นก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจบอกต่อๆกันมาสามพันกว่าปีก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้นะนั้นเวลาเราปฏิบัติเราก็จะต้องชัดเจนเราเห็นทุกจริงไหม ทุกที่ปรากฏในกายในใจเราเห็นจริงไหมทุกต้องกําหนดรู้รู้จริงไหมสงสัยในทุกที่เกิดไหมเราจะทุกต่อไปอีกไหมถ้าคนสงสัยไม่สงสัยแล้วในทุกว่าเ อ, อมันเป็นทุกจริงจริงคนคนนั้นจะหาเรื่องทุกต่อไปอีกไหมรู้เออนี่ไฟจริงๆเนี่ยแล้วคนนั้นจะเหยุดไฟอีกไหมเไม่ <c oughs> ใช่ไหมอ่า ถ้าหากว่าเรารู้อันที่ทุกข์จริงๆแล้วเรายังเข้าไปทุกข์กับมันเรายังไปเป็นทุกข์กับมันอีกเนี่ยนั่นแสดงว่ายังรู้ทุกข์ยังไม่หมดรู้ยังไม่หมดเพราะยังสงสัยแต่ถ้ารู้ว่าทุกข์จริงๆเนี่ยมันก็จะไม่สงสัยนะนี่คือความแตกต่างว่าทําไมเราถึงล่าช้าเพราะเรายังสงสัยทั้งที่รู้ว่าอันนี้มันทุกข์จริงๆแล้วรู้ทุกข์กายรู้จักวิธีรู้ทุกข์กายเหตุเกิดทุกข์ทางกาย การดับทุกทางกายวิธีการดับทุกทางกายไม่สงสัยละพอรู้ทางใจเกิดขึ้นก็รู้ทุกทางจิตเหตุเกิดทุกทางจิตการดับทุกทางจิตและวิธีการที่จะทําทุกทางใจเนี่ยให้ดับไนี่ยทำอย่างไรไม่สงสัยละนะแต่ถ้ามันยังสงสัยในขั้นตอนนั้นใดหนึ่งก็เรียกว่าเราก็ยังเอาทุกเรื่องออกไม่ได้เพราะยังสงสัยอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่เอ๊ ขณะที่เกิดที่ทุกในรูปทางกายหรือทุกทาใจก็ยังไม่แน่แต่พอรู้โอทุกทางกายเป็นอย่างนี้อิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัดสะสมุทะโยเหตุเกิดของรูปเป็นอย่างนี้อ่าอิติรูปัดสอัตถังข้าโมการสลายของรูปเป็นอย่างนี้รู้ชัดเลยเออนี่นี่เป็นอย่างนี้ ไม่สงสัยนะอิติเวทนาเวทนาเปน็นอิติเวทนายะสมุทโยเหตุเกิดเวทนาไปอิติเวทนายะอัทถงโหการดับเวทนาเป็นอย่างนี้รู้เห็นทั้งหมดในลักษณะมันเกิดมันดับอย่างไรดูเห็นก็ไม่สงสัยละแล้วแล้วก็ออกเดินทางทีนี้เพราะนั้นพรุทธเจ้าทึกบอกว่าคนไหนที่ได้ดวงใจเห็นทางแล้วคนนั้นจะไม่ตกนรกจะไม่ไปอาบายเพราะมันเห็นทางไป ที่ปลอดภัยแล้ว อ, ะอ่ะจะไม่กลับไปทุกอีกว่างั้นเถอะเห็นไฟแล้วจะไม่กลับไปเหยียบไฟอีกเห็นน้าแล้วจะไม่เก็บไปเหยียบน้ำอีกเห็นลุ่มเหงื่อล่องแล้วจะไม่ตกไปล้มอีกเนี่ยนะท่านหมายถึงอย่างนั้นแต่ที่นี้เราจะเห็นจริงไหมเห็นเห็นทุกเห็นจริงไหมถ้าเห็นไม่จริงมันก็ยังไปทุกอยู่ทุกเพราะการ มีครอบครัวทุกเพราะการมีสมบัติทุกเพราะกา ร, ม, ม, ก ร, าการมีโรคภัยไข้เจ็บทุกเพราะมีนั่นมีนี่เนี่ยเรายัางจะมีทุกข์กับมันอีกไหมแต่พอเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วก็อไม่ทุกข์กับมันละอยู่กับสิ่งนั้นได้นะอันนี้คือที่พุทธเจ้าบอกว่าในโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดและไม่มีอะไรดับ เขาตัดต่อไปว่าเราที่เราจะถาคตอุบัติขึ้นเพื่อมาทําหน้าที่ชี้ว่านี้ทุกอนี้คือวิธีดับทุกมีแค่นี้หน้าที่ของท่านบอกว่าถ้าไม่มีทุกแล้วบอกว่าท่านบอกว่าเราจะถาคตไม่จําเป็นต้องมาอุบัติก็ได้อ่าไม่จําเป็นต้องเกิดก็ได้แต่ที่เกิดมาเพื่อที่มาทําหน้าที่แค่นี้เบอะเอานี้ทุกนะแล้วก็ดับทุกทําอย่างนี้นะแค่นั้น แต่ท่านเอาไว้แยกเป็นสีหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าลักษณะทําหน้าที่ตรงนี้เหมือนกับเปิดของที่ปิดหงายของที่ข่วมชูแสงอบอกทางแก่คนหลงทางชูแสงสว่างในที่มืดหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีอยู่แค่สีหน้าที่นี้นะเพราะมันมีทุกข์ละกันดับทุกข์ท่านจึงได้อุบัติมาเมื่อบอกแล้วท่านก็ผ่านไปผ่านไปร้าย พันปีเรื่องคนเรื่องลืมเรือนเรื่องนี้ไม่มาไปไม่ถูกละพอหลายพันปีผ่านไปอา้าวก็มีคนรู้ผู้ใหม่มาแตสรู้ใหม่ก็มาบอกอสว่างว่าพึ้นอีกทีหนึ่งคนทั้งหลายก็พากันเดินตามเท่านั้นเดินตามไปแต่ ม, มาเนื่องจากด้วยกฎของใจรักไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนก็เกิดการเลอะเลือนลืมเรือนก็ลืมต่อไปอีกก็มีพุทธเจ้าองค์ใหม่มาแตสรู้บอกเรื่องเดียวกันนี่แหละ เพราะนั้นสิ่งที่พุทธิย้าแต่ละองค์มาแต่จะรู้ท่าทำและวินัยทั้งหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่รู้เพียงแต่ว่าอายุของพุทธิย่าแต่ละองค์นะใครจะยืนมากกว่ากันบางคนหมื่นปีบางคนสองหมืนปีบางคนแปดหมืนปีบางคนร้อยปีแคน่นี่ยเนี่แล้วแต่อายุไขนะดังนั้นเองเรารู้อย่างนี้แล้วก็เมื่อเกิดมาพบในสมัยคําสอนพุทธิย่ายังอยู่เราก็เมื่อควรจะพลาด คือหมายความว่าให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดไปทุกข์อีกนั่นเองถ้ากลต้องกลับมาเวียนว่าจะเกิดอีกก็เรียกว่าเราพลาดไปแล้วมาพบเกิดพบคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านตายไปนานแล้วนี่เสดายนะไม่พบในสมัยของท่านถ้าพูดสมัยท่านเราคงจะได้บรรลุธรรมแน่นอนส่วนใหญ่จะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าผู้อย่างนี้ถูกต้องไหมผู้เสียดายนะบุญไม่พอไม่เกิดร่วมสมัยของท่านเออ คิดอย่างนี้ไหมพ่อใหญ่พ่อใหญ่ทองดีโบุญเราไม่พอนะไม่ได้ร่วมเกิดสมัยพุทธิย่าคิดอย่างนี้ไหมอ๋อแต่ว่าลุงทองดีไม่ได้คิดใช่ไมเอาแล้วแสดงว่าเข้าถึงตัวท่านแล้วสิเรารู้ได้ไงว่าเราเกิดสมัยท่านเราไปจะเจอท่านนะถ้าเกิดสมัยท่านเราไม่เจอท่านได้ยว่าไงโอเอ้กำลังเจาะอะไรกันเนี่ยพูดแบบนี้ เพราะอาศัยคำตรัสที่ว่าก่อนที่พระองค์จะวิริพานเนี่ยมีพระอ น, นุนเนี่ยเข้าไปกราบทูลว่าเห็นลัทธิของนิคนศาสนาของนิคนเนี่ยเมื่อศาสนาของเขามรณะหรือตายไปเนี่ยกิปัญหายุ่งยาก ว่าลูกศิษย์ลูกหาแต่งกันเป็นกลุ่มเป็นคบเป็นก้อนถกเถียงกันเรื่องคำสอนว่าคนนั้นว่าอันนี้ถูกอันนี้ค น, นไม่ถูกได้เห็นตัวอย่างแบบนี้ไปกลับทูลพระพุทธเจ้าว่าคัาแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์จะต้องถึงการเสด็จดับขันธมรรคณวันใดวันหนึ่งขอให้สาปนาหรือแต่งตั้งพระเทระผู้ใหญ่ที่พระองค์ไว้ใจเนี่ยขึ้นมาทาหน้าที่แทน เพื่อที่ปัญหาต่างๆที่เกิดแก่ศาสดาองค์อื่นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วพุทธิยถาตรัดว่าอะไรไงแต่ว่าดูก่อนอ น, อนุนธรรมวิัยใดที่เราแตถาคตได้ตรัสสอนในที่นั้นๆธรรมวิในนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราแม้ศาสนาแม่เราจะปฏิบัติไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันก็ปีก็ตามเราก็ยังอยู่เพราะคําสอนเรายังอยู่ ปัจจุบันนี้คำสอนคือพระธรรมวินัยของพรคงยังอยู่ไหมยังอยู่ก็แสดงพุทธิยักก็ยังอยู่ใช่ไหมอ่าเพราะะท่านตัดอีกคาถาหนึ่งว่าโยธรรมังป so ัสสติโซมังปัสสติเคยได้ยินเนาะสวดเทนวันโยมังปัสสติโซธรรมังปัสสติโยธรรมังปัสสติโซปฏิจจสมุปาทางปัสสติโยปฏิจจะสมุปะทางปัสสติโซธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสุบาทผู้ใดเห็นปฏิสุบัติผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราปฏิสุบัติยังมีอยู่ไหมมีพระธรรมวินัยก็มีปฏิสุบัติก็อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ใจเรานะเราเห็นไหมเห็นทุกและเหตุเกิดทุกเรียกว่าเห็นปฏิสุบาททุกเกิดขึ้นเห็น เห็นทุกทางกายเกิดขึ้นก็เห็นทุกทางจิตเกิดเห็นเหตุของทุกทางกายเป็นอย่างไรก็เห็นเหตุของทุกทางจิตเกิดจากอะไรก็เห็นเห็นชัดเจนนี้เรียกว่าเห็นพุทธะแล้วเห็นพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้านบอกว่าผู้ใดก็ตามถ้าไม่เห็นอย่างนี้แม้ผู้นั้นจะจับชายจีวรเราอยู่ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่เห็นเราเพราะไม่เห็นธรรมมั่นใจไม่ว่าจะเกิดในสมัยพุทธเจ้าว่าจะรู้จักพระพุทธเจ้า แม้กับชายชีวเราอยู่ก็เชื่อว่ายังไม่เห็นเราเพราะยังไม่เห็นธรรมนะนี่ท่า น, นต่ดรับรองไว้เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นธรรมก็เห็นตัวเราท่านก็บอกตรงๆเลยนะไม่ได้อ้อมคอมนะโซมังปฏิเสธมองผู้ใดเห็นตัวเราเองนี่แหละเห็นธรรมแต่เขาก็าแอบวงเล็บเอาไว้นะว่าผู้ใดเห็นเราวงเล็บว่าถา้าฐานโคตรใส่เข้าไปเพื่อจะไม่ให้เขาข้างตัวเองนะ พัสดาธาคุณวงเล็บเขามานี่ยนะเห็นว่าเห็นเราตาธาคุความจริงไม่มีเขาพัสดาธาคุอแต่เราขาดความมั่นใจก็ยกให้พระพุทธเจ้าทั้งหมดก็เลยว่าไม่ยอมเห็นตัวเองแล้วไปจะพยายามตามเห็นุพระพุทธเจ้าไปเห็นทัพัสดาคุณนั่นแหละมีตัวเองเห็นก็ไม่ยอมเห็นนี่ยเลยขาดความมั่นใจในตัวเองะดังนั้นดูซ่าตัวเราเป็นทุกขยังไงเป็นสุกยังไงแล้วเคยเห็นแล้วทุกก็เห็นแล้ว แต่ทําไมยังไม่เห็นธรรมอ่ะเห็นวันละร้อยครั้งพันครั้งเห็นทุกในตัวเองใช่ไหมแต่ทำไมยังไม่เห็นธรรมเพราะอะไรจําคาถานนั้นได้ไหมว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่ง ที่เราเราเราเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อนั้นย่อมหน่วยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตัวลงนั่นแหละชื่อว่าเราเข้าสู่เส้นทางะการเห็นธรรมละย่อมหน่ว ย, นะยหน่ายนะเห็นเราเคยไหนเบื่อเหน่อยทุกข์ในนี้บ้างไหมมีลูกมีเมีย ม, ม, มีสามีพันยาเคยเหนื่อยหน่ายแล้วออกจากออกจากเขาเลยได้ไหม ก <c oughs> ็มีเหมือนกันนะออกจากเขาเลยเหนื่อยหนาวไม่เอาล้ออกจากบ้ า, này, ออ า, บานดีกว่าฉันพ่อใหญ่ทองดีฉันออกจากบ้ า, บานดีกว่าเหนนะื่อยหน่ายเลื่ินเนี่ยเคยคิดอย่างงี้ไหมไม่เคยไม่เคยก็แสดงว่านะ <c oughs> ยังไม่เห็นนะยังเพราะมันไม่เหนื่อยหนาวเพายังไม่เห็นทุกข์หรอกเพราะยังเหนื่อยหนาวไม่เป็นถ้าเหนื่อยหนายคําว่าเหนื่อยหนาวก็เบื่อหน่ายนี่ต่างกันนะคาว่าเบื่อหน่ายหมายความว่า มันเบื่ อ, อ น, นี้แต่มันอยากอันนั้นมันเบื่อเรื ving, อ่องปัญญากรณีแต่ไปไม่ได้เบื่อแต่มันอยากอยากจะได้อันนั้นเบื่อเงินมันน้อยแต่อยากจะได้เงินมากเบื่อแบบนี้เรียกว่าเบื่อหน่ายแบบนี้ไม่ชื่อว่าเป็นการเห็นด้วยปัญญาแต่ใช hat, want, ้ใช้คำว่า น, นินพิทนทติแปลว่าเหนื่อยหน่ายเอามาใช้คําว่านิพพิทายานแปลว่ายานเห็น ามเห็นแล้วเกิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายทุกอย่างเบื่อหน่ายแล้วก็ทิ้งท่านบอกว่าเหมือนกับคนกินของแสลงพยายามที่จะสำลอกออกมาเมื่อสำลอกออกมาแล้วเนี่ยถามว่าคนคนนั้นจะกลับไปกินสิ่งนั้นอีกไหมต้องเบื่อหน่ายขนาดนั้นเลยนะเบื่อหน่ายขนาดสำลอกออกมาแล้วถ้าคานกลับไปกินอีกเนี่ยถ้ามันไม่ว่า ไ, ไม่ใช่คนแล้วนะ ไม่ใช่คนแล้วต้องเบื่อหน่ขนาดนั้นขนาดว่าลวงคอลวงคอล้วงคอออกมาเลยนะลวงคอออกมาขนาดนั้นแต่เราไม่ถึงกับล้วงคอหนีไปสักพักแล้วกลับมาใหม่นะเบื่อกันแล้วหนีไปสักพักก็กลับมาใหม่ไม่ถึงกับแบบทิ้งแบบหันหลังให้แบบพุทิยานหนีนางอะไรนะย่าสุธราหรือพิมพานะ ท่นั้นอันนี้ก็เหมือนกันว่าเมื่อเกิดปัญญาเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแตละเวลามันแปลปวนเป็นทุกข์ตลอดเวลาแล้วมันไม่มีสาระแล้วถ้าไปพยายามเอามันทําไมเนี่ยนั่งหาเงินหาทองเป็นทุกข์คิดจนปวดหัวเนี่ยก็ยังเบื่อไม่เป็นอ่ะทั้ทงๆงที่ปวดหัวแล้วปวดหัวอีกหนักและก็เหนื่อยอีกวันหลายหลาครั้งทําไม ไม่เบื่อหนาะยก็เพราะยังไม่เกิดปัญญาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาอันชอบเขาว่าปัญญาอันชอบคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปะเรียกว่าปัญญาอันชอบนะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราเริ่มเก็บอารมณ์ล ะ, ะเก็บอารมณ์หมายถึงว่าเราเข้าที่เข้าทางแต่วันพรุ่งนี้ช่วงเช้ายังทาปกติอยู่ แต่วันวันต่อไปปั๊บตื่นขึ้นมาช่วงเช้าเก็บบาลงเดินในเช้ า, ชายันข่ำเลยว่างั้นแถะให้เก็บจริงจริงแต่พวกนี้จะมองหาที่กันว่าแต่ละคนเนี่ยคจะอยู่ตำแหน่งไหนให้แยกกันอยู่คุณที่ละที่เลยนะให้พระไปปักหมุดเอาไว้ก่อนนะให้อยู่แต่เราไม่มีกุฏิครบสามสิบกหลังห้าสิบกุหลังเนี่ยมมีเราก็อาศัยจุดที่ว่างทางใดหนึ่งแล้วก็เอาเก้าอี้ หรือนะเอาเสื่อไปวางนะแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละตลอดทั้งวันไม่ต้องเปลี่ยนที่นะ <c oughs> น, นั้นผู้นี้ก็แต่ละคนต้องไปหาตำแหน่งของตัวเอ ง, <c oughs> ของเขาเรียก <c oughs> ไปหาอะไรโยนไข่ถนะามทางดูว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหน <c oughs> สองวันเนี่ยโดยที่ไม่ได้ออกจากที่เลยเนะย หมายความว่าโยนไข่แต่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องย้ายไม่ต้องย้ายที่อะไรจะเกิดขึ้นก็อยู่ตรงนั้นนะงูจะมาถ้าเข็บตะข่าวจะมาก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นต้องเลือกให้ดีนะะทั้งนี้เพื่อที่จะอปรีกวิเวกปรีกวิเวกตัวเองอยู่ห่างกันถึงเวลาตักข้าวก็ไปนั่นนะตักข้าวเสร็จกวไปนั่งกินที่เดิมของตัวเองนั่นแหละที่เก็บอารมณ์หมาถึงว่ามลินนะแต่พรุ่งนี้ก็ ตามจุดที่ต่างกันอย่างกินข้าวอาบน้ําหรือมาทําวัดก็อย่างเหมือนเดิมอยู่พวกนี้แต่ว่าอยู่คนละที่พอวันเมื่อลื่นนี้ก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะอยู่ใครอยู่มันสักวันหนึ่งโดยที่ไม่ทักไม่ถามไม่เป็นวันปิดวิจาด้วยนะเป็นวันที่เรียกว่าวีรั ด, ดก็ลองทําตามลําดับขั้นไปทั้งนี้เพื่อเราจะมีอยู่ยมคนหนึ่งที่ไม่สอดอ มาบอกหนูมีเวลาสามวันของพ่อหนูเขาเก็บอารมณ์ก่อนได้ไหมหนูจะกลับก่อนเออแล้วเธอเคยเก็บหรือเปล่ายังไม่เคยอไม่เคยเก็บไปลงเธอพี่เก็บมันจะได้เรื่องเงี่ยหนูจะทดลองดูว่างั้นโอเคมาก็แยกกันไปอยู่แต่หาที่กุฏิอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งวันกลับมาอู้ไม่ไหวหลวงพ่อคิดเยอะเหลือเกินว่างั้นพุ่ไปหมดไม่รู้เรื่องอะไรเจ้อะไรสู้ไม่ไหวไงเนี่ยเพราะมันมันมันไม่ได้เก็บไปตามลาดับจู้จไปทำมันไม่ได้เรื่องมันเต็มหัวอยู่อ่ะมันก็ โอโหออกมาหมดเลยโอ้โหุ่นวายทําไมเมื่อก่อนความคิดเหล่านี้ไม่เกิดเพราะมาคิดจะทําไงอย่าลืมว่าเราคิดจะทําอะไรให้รู้สึกตัวเนี่ยมันมันจะมาทันทีน ย, ยกทับมาเลยแหละสู้มานไม่ไหวความคิดจะมาแพระพุทธเจ้าตั้งใจที่จะให้รู้ทำเนี่ยนะแต่บุตรีถ้าไม่ตั้งใจว่าจะบรรลุธรรมเนี่ยมันไม่มาหรอกนะมานคือความคิดมันมาวุ่นวายยกทับมาเลยในหัวเรานะ่ะนั่นหคือมานคือความคิดเรื่องราวต่างๆ กลีธากันมาเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นมาเดี๋ยวเรื่องนี้มาเยอะแยะไปหมดอันนี้เหมือนกันเราตั้งใจที่จะรู้เนื้อรู้ตัวสักพักในความคิดสารพัดเรื่องออกมาสังเกตให้ดีแล้กันนะลองดูพวกนี้นะโอเคอันนี้ก็กลืนนําไว้ว่าพวกนี้เราจะทําแบบนี้ก็ช่วงเย็นวันนี้ก็ค้นมทนาสาธุการที่เราจะศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เห็นธรรมคือเห็นตัวเองเห็นทุกข์ของตัวเองเห็นเหตุเกิดทุกข์ในตัวเอง เห็นการดับทุกข์และเห็นวิธีการดับทุกข์ในตัวเองนั้นเรียกว่าเห็นธรรม